ขอความสุขความเจริญจะมีดท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงทํามจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมในวันนี้ก็จะเปลี่ยนประสูตรมาอีกชุดหนึ่งเป็นประสูติที่มีความยาวขนาดกลางคือประสูตรที่มีความยาวขนาดกลางนั้นจะเรียกว่ามัชมนิมัชิมานิกายก็มีทั้งหมด1 5 0ยห้กสูตร ก็จะเลือกพระสูตรที่ไม่ค่อยยากเกินไปก็นในวักแรกก็เรียกว่าข้าปีวักคือวที่เป็นการพูดการสอนการแสดงธรรมแก่ชาวบ้านนะเหลือบดีก็คือคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีคือไม่ถึงก็เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีแต่ว่าตันเรียกว่าข้าระบดี แต่ก็ไม่เคยแน่เหมือนกันคคือบางครั้งเราก็เจอว่าเศรษฐีนั่นแหละก็ เ, เรียกว่าเรื่องอ บ, บดีด้วยเช่นว่าอนาธบินิกาเศรษฐีเนี่ยบางคราวก็เรียกว่าเร อ, อ บ, บดีก็ แ, แสดงว่าใช้แทนกันได้นี่ข้อความมันเป็นเบื้องต้นว่าพระเนมรุจ้ญญาเสรษฐประทับอยู่ที่สระบุรี ชื่อว่าคัคราเคตนครจำปาพร้อมด้วยพระสงฆ์จำนวนมากก็มีบุตรข้านายควานช้างชื่อว่าเปตสะและปริพชกชื่อว่ากันทะแต่เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับก็ตามรมเนียมของการเข้าเฝ้านะฮะก็ผ่านการสนทนาปราศัยกันพอสมควร แล้วก็ท่านก็มองไปที่กลุ่มพระภิกษุซึ่งเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่คือเป็นภาพที่สร้างความประทับใจมีความสวยงามเพราะว่าท่านก็คุ้นเคยกับการฝึกสัตว์ฝึกคนมานะฮะเป็นพระที่มีอิริยาบถสวยงามเรียบร้อยก็เกิดความประทับใจก็ กรับถุนว่าน่าันจร์ไม่เคยมีท่านประโคดมเพียงเท่านี้ท่านประโคดมชื่อว่าทรงให้ภิกษุสงปฏิบัติชอบแล้วแล้วก็ท่านคิดเลยไปว่าคือพระอาจารยสมาสมุทรเจ้าทั้งหลายในอดีตก็ดีจะมีในอนาคตก็ดีก็จะฝึกคนได้อย่างมากก็อย่างที่พระเจ้าทรงฝึกนี่น่ะ จะปลุกให้เกิดความสวยงามเรียบร้อยอย่างนี้สร้างความประทับใจได้อย่างนี้พระเจ้าก็ทรงรับรองนะครว่าเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องจากนั้นก็ปริพัชกที่ชื่อว่ากันดระเนี่ยก็รับสั่งกับปริพัชกชื่อกอนันดระว่าดูก่อนกันดระราหันต พระอาหารหันตสมาคมพุทธเจ้าเหล่าใดได้มีแล้วในอดีตการแม้พระผู้มีพภาคเจ้าเหล่านั้นก็ส่งให้ภิกษุปฏิบัติชอบเป็นอย่างยิ่งเพียงเท่านี้เหมือนเราให้พระภิกษุปฏิบัติชอบแล้วข้อนี้เป็นภาพที่น่าประทับใจนะฮะคือปฏิภายชก น, นีกนกน่เป็นนักบวชนอกพระพุทธศาสนาเป็นนักบวชที่แต่งชุดขาว แต่ว่ามีความเห็นไม่ถึงก็เป็นมิจฉาทิฐิคือถ้าหากว่าท่านเหล่านี้ขอเข้าบวชในพระพุทธศาสนาก็ไม่ต้องผ่านขั้นตอนอะไรมากคือบวชได้เลยแต่ว่านักบวชบางละที่เนี่ยต้องทดสอบตัวเองอยู่ก่อนเรียกว่าติทยะปริวาสอยู่4เดือนประสงเห็นสมควรก็จะให้บวชแต่ว่าปริภาชไม่ต้อง เพราะว่าความคิดความเห็นท่านไม่ได้เป็นมิจฉาทิจ ท, ที่แรงอะไรก็แบบพวกพภาสาดิบุตรพระโมคคัลลานะเนี่ยกับบริวารเนี่ยก็เป็นนักบวชประเภทปริภาชกแต่ว่าภาษาดิบุตรพระโมคคัลลานะเป็นยุคแรกนะไอ้นี่มันยุคต่อมาแล้วทีนี้พระเจ้ากรลักสั่งถึงว่าแม้พระพุทธเจ้าจะมีในอนาคตเนี่ยก็เป็นอย่างนั้น แล้วก็รับสั่งถึงสถานะของพระสงฆ์ที่ประชุมอยู่นะบริเวณนั้นว่าดุก่อนกันทรกันทะกะก็นในภิกษุสงฆ์นี้ภิกษุทั้งหลายผู้อรหรันตะกีณาศพอยู่จบพรหมจรรย์มีกิจที่ควรทําทําเสร็จแล้วปรุงภาระเสร็จแล้วมีประโยชน์ตนถึงแล้ว มีสังโยชน์ในพบสิ้นรอบแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้ชอบมีอยู่นี่ก็คือคุณลักษณะของพระอระหันต์อีกนัยยะหนึ่งนะฮะคือเราจะเจออยู่บ่อยๆในการแสดงถึงคุณสมบัติคุณลักษณะของพระอรหันต์ก็แล้วแต่ว่าจะสะท้อนอะไรแต่ที่เด่นชัดอย่างยิ่งก็คือสะท้อนในเห็นเรื่องความ รูคือปัญญาแล้วก็ความบริสุทธิ์หรือความเมตตากรุณาส่วนจะซ้อนอะไรก่อนอะไรหลังก็แล้วแต่พื้นฐานของผู้ฟังจะเข้าใจโดยวิธีสื่อสารอย่างไรก็จะท่งอธิบายสะท้อนภาพอย่างนั้นภาพตรงนี้คุณลักษณะอย่างนี้จะมีการแสดงบ่อยคือประการแรกเนี่ยเรียกว่ายจบพรมจันย์ กลาวโดยสรุปพรมาจรรย์ก็คือข้อที่ควรประพฤติปฏิบัติโดยหลักแล้วก็คืออยู่ที่กลุ่มของมรรคัตว์เป็นธรรมะในหมวดของมรรคัตว์ต้องจำแนกแสดงไว้ในที่ต่างๆที่ท่านสรุปรวมเอาไว้ก็เป็นเป็นสิบระดับด้วยกันก็สรุปง่ายๆนะจะประเด็นง่ายๆว่าพรหมาจรรย์คือเรื่องที่จะต้องประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มของ อริยมรรคปยอประการเอ้ยเราสังเกตว่าในอริยมรรคปยองแประการเนี่ยมีข้อที่ควรประพฤติปฏิบัติกับข้อที่งดเวน้นก็สรุปว่าเป็นเรื่องของศีลสมาธิปัญญาสรรมาวาจาธรรมากัมปันตธรรม า, รมารชีวะนั้นเป็นเรื่องที่ควรงดเวน้นก็เป็นเรื่องของศีล สมาวยามสมาสติสมาสมาชิก็เป็นสมาชิเป็นพวกภาวนาเป็นพวกสมาถะาภาวนาและสมาธิสมาธังกปะก็เป็นพวกวิปัสนาภาวนาเพราะเราจะเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาก็ได้จะเรียกอริมักเบิงแปดประการก็ได้จะเรียกว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลในสมบูรณ์การทำจิจได้ผ่องแผ่ก็ได้ เนื้อสาระเหล่านี้เราเรียกว่าพรหมจรรย์ส่วนจะขจัดกิเลสได้มากน้อยก็เป็นรายละเอียดนะเช่นว่าทานเนี่ยก็เป็นพรหมจรรย์หรือศีลห้านี่เป็นพรหมจรรย์หรือสามีที่ยินดีในพัญญาของตัวเองพัญญาที่พักดีต่อสามีของตัวเองก็เป็นพรหมจรรย ในแต่การพฤรติตนอ่อนน้อมถ่อมตนระบุคนทางหลายมีสัมมาคาระวะระบุคลอื่นก็ถือว่าเป็นพรหมจรรย์เพรา ะ, ะนันก็ขยายไปได้เรื่อยๆจะจับประเด็นง่ายๆนะฮะจับประเด็นง่ายๆว่าคําว่าพรหมจรรย์คือข้อที่ควรประพฤติได้แก่ข้อที่ควรเว้นกับข้อที่ควรประพฤติภาษาที่สื่อสารนั้นอาจจะพูดถึงการไม่ทําบาตทั้งปวงการนำกุศลให้สมบูรณ์การกับรจิตของแผ่หรือการละ บ, บาปบาเพ็ญบุญ หรือแม้แต่พูดถึงการมาเป็นบุญเฉยๆก็เป็นการละบาปและเป็นการมาเป็นบุญอยู่ด้วยในขณะเดียวกันคือภาษาที่นํามาสื่อเนี่ยคือใช้หลายวิธีแต่เนื้อหาสาระนี่ผู้ฟังจะต้องคิดตัวเองนะต้องคิดตัวเองว่าเออตรงเนี้ยเนื้อหาสาระนี่มั น, ม, นมันอยู่ตรงไหนือเรื่องบางเรื่องมันไม่ตรงมาก แต่ปัญหาว่าเราจะขับเคลื่อนยังไงอะจึงจึงจะออกมาได้ในลักษณะนั้นตอนก่อนมีการิปรชุมของกลุ่มชาวพุทธก็นิมนต์ไปก็ปล่อยโยมก็พูดกันโจนจะจบไปนะแล้วท่านผู้อนวยการสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติก็ขอให้ออกความเห็นเจ้มาก็บอกว่า เราก็คงไม่ต้องไปสร้างหลักการอะไรใหม่หรอกคือเราเดินตามรอยอยุคนบาทของพระพุทธเจ้านี่แหละแล้วก็ยกตัวอย่าง อ, อวตปฏิโมกมาว่าในอวตปฏิโมกนั้นที่จริงมันก็เป็นอุดมการณ์เป็นหลักการเป็นวิธีการเป็นปฏิบัติการแล้วก็เป็นผลซึ่งเราอาจจะเรียกว่าประสิทธิการแต่ว่า คือสะท้อนเหตุผลทางประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์เนี่ยเราจะเห็นว่าในนิราชในรินที่มีอยู่สองบรรทัดคือในโครงบทแรกเนี่ยเป็นการพูดถึงเหตุกับผลได้พูดผลก่อนว่าบุญเพลงพระหากสันาสาต ร, รุ่งเรืองแห่ือแสดงเห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในด้านต่างๆ ก็รวมหมดทั้งศาสนาธรรมศาสนาบุคคลศาสนาสถานศาสนาพิธีศาสนาธรรมมีการศึกษามีการปฏิบัติมีการสะปฏผลมีการเผยแผ่วันภารกิจเหล่านี้เป็นภารกิจที่เป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาศาสนาเราก็มีแก่นอยู่ที่ศีลสมาธิปัญญานะฮะ ส่วนที่เป็นผลก็คือวิมุตติกวิมุตติยาทัศสนะท่านใช้คำสั้นๆว่าบ ah, ังอาบายเบิกฟ้าฝึกพื้นใจเมืองวิธีการเนี่ยคืออะไรก็คือปิดประตูทางเสื่อมเปิดประตูทางเจริญโดยวิธีอะไรอะ่ะโดยฝึกพื้นจิตใจของพลเมืองภายในชาติเมื่อไรก็เมื่อ น, นั้นน่ะพูดเมื่อไรก็พูดเมื่อ น, นั้นหรือไม่ต้องเสียเวลา ไปเขียนตำหรับตำราอะไรอ่ะไม่เป็นหลักการเดียวกับที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงประดิษฐานพระพุทธศาสนาสืบทอดศาสนากันมาเนี่ยมันมีเท่านั้นแหละก็จริงอ่ะคือราเหตุแห่งความเสื่อมแล้วก็พฤติเหตุในทางเจริญมันก็กลายเป็นเนี้ยกลายเป็นพรหมจรรย์แต่ตามปกติแล้วชาวพุทธเราเนี่ยขาดการประณีประนอมในทางภาษา แล้วก็จะยึดติดในทางภาษาวันก่อนนี้ได้ยินมีคนก็พูดบอกว่ามีคนก็ท้วงติงนะบอกว่าคือเขาคล้ายๆกับประชวนเชิญชวนจชิญชวนปฏิบัติสมาธิเนะี่ยคนหนึ่งก็คัดค้านบอกว่าจะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเข้าใจว่าพระเจ้าสัรุ้ด้วยสมาธิอีก เลยก็เราเห็นได้ชัดนะว่าเราบายุติติดในภาษากันมากเกินไปโดยลืมไปว่าสีเลนะนั้นนิพพติยญนติว่าไงบุคคลจะบรรลุนิพพานได้ก็เพราะสีนว่าไงมันข้อความอื่นเนี่ยเขาละไว้โดยผลของการปฏิบตัติเขาไม่ต้องพูดหรอกหรือสมาทิพิกเวพาเวทสมัยโตยถาพุทังวจานาติ ดูกข์ริกงุูทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงทำสมาธิบังเกิดขึ้นพระบุคคลที่มีจิตเป็นสมาธิจะรู้เห็นลำความเป็นจริงก็นิพพานนะก็ะสัจธรรมแล้วมันรู้มาคลแล้วเพราะัาภาษานี่มันจะหลากหลายคือถ้าเรามารุงรังกันเรื่องไปถกเฉียงกันที่ภาษาอย่างนี้ก็คงจะยุง่งเวลาไปเยอะ ม, มันไปการแสดงให้เห็นเรงว่าเราไม่รู้เรื่องศาสนา แล้วมาถึงประเด็นตรงนี้ก็มีประเด็นที่อยากจะนามาล่าทบทวนคือในที่ประชุมเนี่ยทําไประามามันคิดจะไปชำระพระสงค์นี้ให้สะอาดเสียก่อนจึงจะเผยแผ่ศา ส, สนาประโยคนี้สมาคมพูดนี่ชอบพูดแล้วก็เราก็พบก็ประชุมที่ไหนแล้วก็ต้องด่าพระถ้าไม่ด่าพระใกล้ใกมันขาดอะไร ก็ที่จริงก็ไม่อยากจะพูดแต่ว่ามันฟังแล้วเนี่ยแสดงว่าชาวพุทธเนี่ยไม่รู้จักพระพุทธศาสนาไม่รู้จักพระสงฆ์ทําไมพระพุทธเจ้าจึงสอนเรื่องที่ถกให้ชาวบ้านนี่มีเมตตาทางกายมีเมตตาทางวาจามีเมตตาทางใจต่อพระสงฆ์ล่ะเพราะพระสงฆ์ไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวพระสงฆ์เป็นผิดผลของสังคมนะฮะไม่ใช่เป็นผิดผลของวัด วัดเนะีรับบุคคลมาจากสังคมมาฝึกรือคือถ้าเรียบร้อยมาจากนอกวัดแล้วเนี่ยเราก็ได้พระที่มีความสะอาดแต่ถ้าเลิศเท อ, มอแมมมาเนี่ยกว่าจะขัดได้เนี่ยมันไม่จะง่ายอย่ะนะฮะหรือถ้าจะพูดพยายามเข้าใจว่าชาวบ้านเนี่ยสีหน้าข้อในรักษากันได้หรือเปล่าที่พูดเนี่ยเวลาพูดเราพูดมาก เ, เกินนะ สีหน้าเนี่ยรักษาได้ไหมพระก็คือลูกชาวบ้านน่ะชาวบ้านก็คือลูกชาวบ้านน่ะมะคือคือคนด้วยกันนะ่ะพระไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวไม่ใช่เป็นเทวดาวมันจะสูงสวรรค์ที่จะบริสุทธิ์หมดจตุท่านก็ประพฤติพรหมจารย่ยงเงี้ยแล้วเด่นว่าตรงนี้เองพระกลุ่มเหล่าเนี้ยผู้เจ้าแยกให้ดูพระกลุ่มหนึ่งก็คือจบพระหมจาริะ่ะเรียกว่า เป็นพระขีณาศพขีนาศพนั้นเป็นผลซึ่งเกิดขึ้นจากพรหมจรรย์หมายความมันต้องจบพรหมจรรย์ก่อนนะฮะไอตัวจบพรหมจรรย์นะี่คือตัวนิโรธหรือตัวนิพพานเะนี่ยพอเขาเกิดเขาก็ดับอาสวะทั้งหลายทั้งหมด อาสวะนั้นเป็นชื่อแทนสัรพกิเลส ท, ทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือกิเลสระดับที่นอนเนื่องอยู่ในสันจสันติสันดานเราไม่จําเป็นจะต้องไปได้ยินคำว่าอาสวะเสมอไปหรอกอาจจะได้ยินคำว่าตัณหา จ, จะยินอุปาทานอาจจะได้ยินโลภะโทสะโมหะอาจจะรินคําว่าอวิชชาอาจจะยินได้ยินคําว่าอนุสัยอาจจะได้ยินคํ า, าว่ า, จจ า, จจาสังโยชน์ก็เยอะคืออย่าไปติดใจยอย่าไปใจกระสับ ที่ใช้เรียกแต่เนื้อหาสาระนี่ก็คือกิเลสเอาสวะเปเรียกอันสวะเนี่ยจะทรงเรียกอยู่สองชุดแต่ชุดที่แพร่หลายมากมีแค่สามข้อคือหนึ่งกามอสวะอัสวะคือกามกามก็หมายถึงกิเลสที่มีอยู่ภายในใจมนุษย์เขาเรียกกิเลสกามแล้วก็อารมณ์ที่เราสัมผัสทางตาหูเป็นต้นเนี่ยเรียกวัตถุกาม แต่อสวะที่หมดไปในสิ้นอสวกเนี่ยคือสิ้นอสวะภายในใจได้แก่กิเลสอารมณ์โลกมันก็ยังมีแหละแต่ว่ากิเลสเป็นเหตุให้ยินดีมันไม่มีเพรนั้นมีมึงก็จักแต่ว่ามีแล้วภ า, าวะอสวกอสวกคือครบคือความมีความเป็นก็พวกภาวะตัณหานั่นแหละพวกภาวะตัณหาภาวะจิหรือพวกความอยากเป็นทั้งหลายเนี่ยความอยากเป็นด้วยความเป็นทั้งหลาย หรือรู้สึกตัวตนเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นเนี่ยมันก็อยู่ในกลุ่มของภาวาสวะแต่กลุ่มเหล่านี้ยเราอาจจะพูดถึงอวิชาตัญหาอุปาทานหรือเราอาจจะพูดถึงการบรรัดหาภาวาตระหน่วาววาิพัฒนาก็ได้ก็ไม่ได้แปลกอะไรโดยเนื้อหาแล้วก็คลุมกันแต่ภาษามไม่คลุมอะเพรแล้วแต่จะสื่อต่อไปก็สรุปรวมก็คืออวิชาสวะอาิสวะคืออวิชา ทีนี้โดยปริยายหนึ่งเนี่ยราเคยพบในโอคัตตะรณสูตรก็เป็นการแสดงถึงกิเลสสี่ข้อเหมือนกันเยอะหลายชื่อนะแต่ชื่อหนึ่งก็เรียกว่าอสวะคคือการพบทิฏฐิอวิชาก็พบทิฏฐิเขาไปก็สรุปทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่าโอคาตก็ได้โยคาก็ได้คันถะก็ได้อสาาวะก็ได้ คือสรุปว่าเป็นภาษาที่เอาสิ่งซึ่งเป็นรูปธรรมเนี่ยมาสื่อมาสื่อให้คนสามารถจินต น, นาการได้เดี๋ยวไม่จินตภาพแต่ภาพที่เราเกิดจากการคิดเพราะพวกเราเนี้เราเรารู้จักเรารู้จักเครื่องร้อยรัดเ ร, เรื่องจากรู้จักเครื่องผูกมัดเรารู้จักเครื่องหมักหมมทั้งหลายเนี่ยเรารู้จักขั้วน้ำเนี่ยเรารู้จักเพราะเวลาพรเจ้าสอนก็ จะเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นสื่อเป็นเครื่องมือในการสอนเพรา ะ, ะนั้นเมื่อเป็นประการณ์ศพมันก็เกิดเป็นผลมาจากการจบพรหมจรรย์ทีนี้พอจบพรหมจรรย์อาการต่อเนื่องต่อมาก็คือว่ามีกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วเพราะกิจในที่นี้มันมีสองกิจนะฮะคือกิจที่ควรเว้นกับกิจที่ควรรึกกิจที่ควรเว้นก็เว้นหมดละ อิทธิควรประพฤติก็ประพฤติได้บริบูรณ์แล้วมันก็จบเพราะคาว่าละบาปบาเพ็ญบูญอะไ ร, ร, ต, รต่างๆที่เราเรียกเนี่ยสําหรับท่านเหล่านี้ก็จบแล้วก็ปร่งภาระเสียแล้วภาระในที่นี้เน้นไปที่ขันห่านะเราจะเห็ว่าขันห่านนัมันค่อนข้างหนักที่ท่านทรงแสดงว่าขันห่านี่ยเป็นภาระที่หนักยิ่ง แต่คนก็มาแบกภาร ะ, ะเหล่านั้นเอาไว้ถ้าปล่อยวางจะได้ก็จะอยู่เป็นสุขในการแบกภาร ะ, ะเอาไว้เนี่ยมันจะเป็นทุกข์เพราะอะไรในขันธ์หเราสังเกตว่าเราเอาอุ ป, ปาทานเข้าไปยึดติดก็ไปยึดติดด้วยอำนาจของความใครายบ้าง ด้วยมากความคิดเห็นบ้างหรือความรู้สึกว่าเราเป็นนั้นเป็นนี้เป็นโน้นบ้างแล้วก็ยึดถือในรูปแบบของการประพฤติปฏิบัติบ้าง<ม>คือวันก่อนที่เล่าเนี่ยที่ไปไประชุมกันที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเ่คือเราเป็นห่วง ท่านฟังคงนึกถึงหนังสือพลังแห่งชีวิตที่เผยแพร่กันโดยคนรุ่นใหม่นะคือถือว่าเป็นหนังสือที่โฆษณาแล้วก็ประสบควาสมสเร็จคือกระตุน้นกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของคนก็ให้เด็กไปขอมาให้นะขอมาให้ก็มาอ่านแล้วก็ว่าที่จริงก็เป็นการเผยแพร่ศาสนาโดยวิธีหนึ่ง นะแต่ว่ากระตุน้นกระตุ้นความอยากอยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากมีนะฮะไอ้คนอ่านจริงๆมีไม่กี่คนเนาะพอเจอก็จริงก็อ่านไม่กี่คนอ่านจบไม่กี่คนแล้วเข้าใจได้จริงๆก็ไม่กี่คนนะฮะแตเราก็ดูแล้วก็เป็นหนังสือธรรมดาแต่ก็ดีอย่างหนึ่งที่เขาไม่ด่าคนอื่นแต่ว่าก็สะท้อนความเชื่อ ความเชื่อเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังลองสังเกตว่ามันเป็นลักษณะของอุปาทานความเชื่อที่ขาดปัญญาเนี่ยมันจะก่อให้เกิดอุปาทานทีนี้ถ้าอุปาทานตรงนี้ถ้าเราไปรวมกันเนี่ยนะเราจะยึดติดอยู่อย่างนั้นเคยไปพบเหตุการณ์อย่างหนึ่งเมื่อหลายปีมาแล้วพศสองพันห้าร้อยสาสิบสามเป็นเหตุการณ์ที่สหรัฐอเมริกา ก็มีการสะดอกเค ร, ราะเยอะเยอะมากยาวานับกูเรียกว่าต้องคิดว่าสักสามสิบอย่างเองนะมันเยอะมากมากอะแต่ไม่นับหรอกแล้วก็ถามโยมว่าทําอะไรก็บอกว่าสะดอกเคราะแล้วก็ถามท่านว่าเป็นเคราะอะไรอ่ะแกบอกว่าหมอดูบอกว่าเป็นเคราะถามว่าใครดูอะ ให้บอกกหลวงพ่อดูหลวงพ่อดูก็แล้วใครจะสะเดาะให้หลวงพ่อจะสะเดาะให้พออย่างนั้นคือเราเราไม่ไม่ไม่เคยไปเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยนะคับ้วก็อยู่คนละแปดบุ่มพอพอได้รับคําตอบอย่างนั้นก็นึกทันทีอ๋อนี่เป็นเรื่องบูชาทาน คือสร้างให้เกิดความยึดติดแล้วก็กลุ่มผลประโยชน์เนี่ยคือหมอเนี่ยจะกินทั้งขึ้นทั้งลงและสังคมเรายังถูกหลอกลวงในเรื่องเดี๋ยนี้อยู่เยอะมากๆคือว่ากันตามความจริงเนี่ยเคราะมันไม่มีหรอกถ้าเราไม่ทำชั่วนะฮะแต่ทำชั่วยแล้วเราหนีเคราะไม่ได้วามันเคราะมันไม่ใช่แก้โดยการสะเดาะนะแก้โดยการไม่ทำ ไม่ทําชั่วแลยก็เคราะ์มันก็ไม่เกิดเราเห็นว่าเลิกอะไรต่างๆมาธนแข่งเลิกราชาเลิกอะไรแต่ใดเนี่ยเรามาทําชั่วด้วยจร้อนทั้งนั้นคือการทําพิธีเหล่านี้มันเป็นเรื่องของขวัญกำลังใจแล้วก็สร้างอุปาทานคือทิฐุปาทานคือยึดติดนะแต่ในขณะเดียวกันมัน ม, มีการมอุปาทานคือความใคร่ที่จะพ้นจากเคราะห์ด้วย แล้วก็มีศีลรัพตุปาทานคือยึดมั่นโดยรูปแบบพิธีกรรมต่างๆด้วยเห็นไหมอุปาทานในมีคราะห์อยู่ตรงนั้นนะแล้วอัตวาตุปาทานก็อุปาทานว่าเรามีเคราะห์เป็นเงื่อนไขที่สร้างขึ้นโดยตัวเองมีความอ่อนไหวหรือว่าหมออสร้างขึ้นแต่ตามปกติแล้วก็ต้องบวกนะ คือหมายความตัวเองก็มีความร่วมเอียกไปในทางนั้นแล้วหมอก็ไปทำนายถ่ายทักออกมาในลนักษณะนั้นก็ไปกันสนุกเลยแต่ทีนี้พอผ่านวิธีสะดาะเคราะห์เนี่ยสมมติว่าอีกสองเดือนเนี่ยเราจะมีเคราะห์แล้วก็เราทำพิธีสะดาเคราะห์ตีต่างว่าวันนั้นเนี่ยวันที่หมอบอกว่าจะมีเคราะห์เนี่ยมันเกิดไม่มีอะไร หมอได้หมอดูก็ตูเอาดื้อๆเนีเห็นแม่เนี่ยทําไม่สะดอกเคราะห์วันนั้นได้แย่นะโยมเนี่ยทีนี้สมมติว่ามีอันตรายอะไรเกิดขึ้นเนี่ยหมอดูก็บอกได้เองกันให้ดีนะฮะถ้าไม่สะดอกคราะเนี่ยอาจถึงตายอันนี้ดีที่ได้สะดอกคราะเอาไว้เลยก็เพียงบาดเจ็บเล็กเล็กน้อยน้อยเพราะหมอดูดีกินนะขึ้นทางลองกินได้ขึ้นทางลอง คือเรื่องราวเหล่านี้เราไม่เคยเออกมาพูดกันที่จริงพระพุทธเจ้ารับสั่งเล่าในชาดกไว้เยอะนะฮะแต่เราไม่ได้เอามาค่อยเล่ากันเท่าไหร่ก็มีประราชาท่านทรงสุบินแล้วก็ไม่สบายพระไทยก็สอบถามโหนดูโหนนี่ไม่รู้เรื่องเลย แต่บอกว่าไม่รู้ไม่ได้อ่ะโหเนี่ยมันต้องรู้เลยก็บอกโอ้โหนี่อันตรายมากเป็นสุบินิมิตที่มีภัยมีอันตรายเกิดขึ้นต่อราชสมบัติต่ อ, รอพระองค์พระองค์แล้วก็ต่อพระเมสีต่อพระราโอรสราชธิดาตกใจเลยประชาชนใจอ่อนไหว่ะฮนะแต่ถามว่าทํำยังไงอะจะหายได้แก่บอกว่าต้องทําพิธีบูชายัน ทำพิธีบูชาญาณก็บอกพิธีบูชาญาณอย่างนั้นอย่างนั้ น, งงนเป็นพิธีหลอกกินนะะนพิธีหลอกกินรเราเห็นว่าบูชาญาณเนี่ยมันกินสารพัดกินนะนะแต่ว่าคนก็ยังกลัวอยู่จนทุกวันนี้แหละหลอต้มบูชาญาณเมื่อไรก็จ่ายเยอะเลยเพราะว่าต้องฆ่าสัตว์เยอะกิธีกรรมต่างๆแล้วพรามณ์ที่ทํานายนยั่นแหละเป็นคนทําพิธี จะได้ทั้งเงินได้ทั้งผลประโยชน์ถ้ายิ่งกาบูชาด้วยทาต ด, ด้วยทาตสีทาตุสาด้วยคนด้วยอะไรต่ออะไรไปใหญ่เลยแต่นี้ยส่งบริษัทบริวารไปจับคนมาเอาใครไม่ต้องการให้จับก็ต้องให้สินบนไปจับแพะจับแกะคนไม่ต้องการให้จับก็ต้องให้สินบนพวกนี้เลยกินกันสารพัดกินนะคือเรกเราบรรณาณาต น, นะฮะคือถ้าไปวิเคราะห์กันแต่ละจุดแต่ละจุด น, น่าอนาถมากเลย ว่าคนเอารัดเอาเปรียบเบียดเบียนปรททุษร้ายรังแกผู้อ่อนแอทุกรูปแบบป mm ุโ hmm. รหิตเสนาบดีฮะเสนาบดีท่านรู้ข่าวเาวก็มากราบทูลถามป mm hmm. ระชาก็รับสั่งเล่าให้ฟัง mm hmm. เสนาบดีท่านเป็นบัณฑิตอ่ะท่านเป็นนักบาช mm hmm. ท่านก็ไปถามท่านปุโรหิตว่าที่คุณ mm hmm. ทำนายทายทักไปน่ะเป็นเรื่องจริงอ่ะ บอกจริงถ้าไม่ไม่บูชายัน่ะ อ, อันตรายอย่างใหญ่หลวงจะเกิดขึ้นแกแผ่นดินเนี่ยจนถึงชิวงคตเน่ท่านเสนาบดีก็ถามแล้วคุณเองอ่ะอายุเป็นไงมั่งเพราะอายุยังอีกหลายปีอายุยืนเสนาบดีก็สะพายดาบไปด้วยนะชักดาบเอาตัดคอขาดเลยเดี๋ยวแกก็มาถึงก็กล่าวทูลพระราชาบอกไอ้นี่มันทายไม่ถูก มันบอกข้าพระองค์วายุมันยืนอีกตั้งหลายปียนตอนนี้ตายแล้วคื่สมัยโบราณนั้นเล่นไงกันนั้นเล่นกระแรงๆ แ, และที่ยิงปรากฏในชาดกเรื่องเยอะปรากฏในชาดกเราะันเราจะเห็นว่าพวกอุปาทานเนี่ยมันก่อให้เกิดการยึดติดมือน้ัความเชื่อเรื่องพระเจ้าเดีด้ไหพระเจ้าประวานอ๋อในมันก็สร้างเป็นการยึดติด ยิดติดว่าต้องเป็นอย่างนี้ถ้าไม่เป็นอย่างนี้จะไม่เป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็แนะวิธีอธิษฐานอะไรต่างๆมันก็ผูกโยงแบบหมอดูเนี่ยคือหมายความว่าถ้าเราได้ตามที่เราอธิษฐานก็แสดงว่าพระเจ้ารับทราบการอธิษฐานของเราแล้วก็โปรดประทานมาแต่ถ้าไม่ได้ ก็ถือว่าพระเจ้ายัางไม่โปรดนะก็ต้องอธิษฐานต่อไปไอ้อย่างนี้เมื่อไหร่มันก็เมื่อนั้นเนี่นนะเราจะเห็นลักษณะถ้าเราดูดูธรรมะเราสังเกตนะฮะมันที่จริงมันเป็นฉันทะเป็นิริยยะเป็นจิตตะแต่ว่าแทนที่ตัวตัววิมังสาเนี่จะเกิดมันไม่ได้แกะไม่ได้ใช้ตัวฉันทันเลยคือตัวศรัทธา ก็ที่จริงก็เป็นอิทธิบาทเราเห็นชัดเจนนะฮะว่าว่าเป็นอิทธิบาทแต่ว่าเพียงแต่ว่าไม่ครบสี่เพราะนั้นพอเกิดขึ้นมาเธอก็ไม่ได้วินิจฉยเออพระเจ้าประทานมาให้แล้วพระเจ้าประทานมาให้แล้วมีเด็กคนหนึ่งนะฮะแกไม่มีค่าเล่าเรียนแล้วก็เพื่อนเขานับถือศาสนาคริสต์เขาก็บอกว่าให้ไปอธิษฐาน นะขอกับพระผู้เป็นเจ้าในบท น, นี่ก็ไปบอกบาทหลวงเอาไว้บาทหลวงก็ไปอยู่ข้างหลังเนี่ยฟังอันนี้ก็ไปทีฐานขอค่าเทอมค่าเทอมไม่เท่าไหรอ่อ่ะไม่กี่ไม่กี่เป็นเป็นพันเนะี่ยรู้สึกก็ไม่ถึงสี่พันอ่ะเขาบอกตัวเลขด้วยนะวันก่อนแต่ว่าลืมไปในกี่วันก็ได้ทนานัตนะเงินเท่าที่ขอเลยโอโหพระเจ้าส่งมาให้ เปี่ยนไปนับถือคริสต์เลยก็ยังนึกสงสารเออเด็กสมัยนี้มันก็เรียนหนังสือกันเยอะนะฮะคือมันต้องนึกต่อเออไอสวัสนีมันอยู่ที่ไหนนะปริศนีต้นทางเนี่ยอยู่ที่ไหนเพราะว่าท ม, มีจาเนี่ยก็เขาบอกคือไม่ได้คิดอ่ะเออพระเจ้าทําไมส่งเงินไทยมาไม่ส่งอรอล่าไม่ส่งปอนด์นอร์เตอลิงไม่ส่งยูโรมันมันมีปัญหาเยอะแต่ว่า พอคนวราถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันมันปักใจอปักใจก็มีนักธุรกิจหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยฮะก็บอกว่าสมัคพระเจ้านะต้องเชื่อก่อนจึงจะเห็นฮะเชื่อก่อนถึงจะรู้ไม่จะรู้ก่อนจึงเชื่อต้องเชื่อกัอนมันก็เป็นลักษณะการสร้างอุปทานแต่ว่าในแง่ของความจริงแล้วเนี่ยคนเราขอจับอะไรทักอย่างแล้วขอให้ทําดีเถอะ แต่ทำดีอย่าประทุจร้ายการในเบียดเบือนกันก็พอแล้วการจะบรรลุมรควุนอย่างที่พระอาหารหันตท่านทำนะก็เป็นรายพิเศษเกิดขึ้นแก่คนบางพวกท่านเองเพราะงั้นการปรงภาระนี่ก็คือการไม่ยึดมั่นถือมั่นในขันทั้งหลายคือมัน ม, มีความรู้สึก ว่าขันห้าเป็นเราเราเป็นขันห้าขันห้ามีในเราเรามีในขันห้าเนี่ยมันไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นหรือโปร่งภาระหมดอะเราจะเห็นว่าเราอ่านเรื่องพระอรหันต์อ่านเรื่องพระพุทธเจ้าเนี่ยมันปรงปรง่ปรงเบายินเย็นอะไม่ร้อนแต่ถ้าเราอ่านในเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันรู้สึกมันร้อนอนะแล้วก็เกิดความสงสัยเนี่ยตลอดตลอดเส้นทาง แต่มีข้อโต้แย้งได้ตลอดแล้วก็มีประโยชน์ตนถึงแล้วอย่าลืมนะประโยชน์ตนเท่านั้นเองการบรรพินเพียรจนบรรลุมรรคผลเป็นพระหานั้นเขาเรียกวเป็นอัตตประโยชน์เท่านั้นเป็นประโยชน์ตนเหมือนพระพุทธเจ้าตอนสัรสรู้ที่ต้นโพนะฮะแล้วประทรับเสบยมุตติสุกอยู่เจ็ดสัปดาในที่จริงได้บรรลุประโยชน์ตนนะ พระกุณาคุณนั้นมีอยู่ภายในพระไทยแต่ยังไม่มีใครสัมผัสเพราะพระพุทธเจ้าเสร็จประโยชน์ของพระองค์ตั้งแต่ประทับภายใต้ต้นโพนะฮะตอนบรรลุอาสวรรคอานสวรญาณก็จบละเพราะกรอบกล้องคำ ว, ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจึงนิยามว่า พระพุทธเจ้าคือท่านที่ศัตรูดีศัตรูชอบด้วยพระองค์เองแล้วสอนบุคคลอื่นให้ศัตรูตามด้วยแต่การสอนบุคคลอื่นศัตรูตามเนี่ยเขาเรียกเป็นปรหิตคุณคือคุณดีกอคูนดลบุคคลอื่นให้ลองสังเกตว่าคุณสมบัติของพระหันที่ส่งยกมาในทีน่นี้คือเน้นเฉพาะประโยชน์ตนในเสร็จแล้วแล้วก็ มีสังโยชน์ในพบสิ้นแล้วคือสังโยชน์หนึ่งที่จริงมันเป็นกินเลสที่ผูกใจสัตว์เอาไว้ก็คือจริงก็คือพวกอสวกนั่นแหละเพียงแต่เรียกชื่ออย่างหนึ่งแล้วกระจายออกไปเป็นจำนวนสิบข้อด้วยกันตามปกติเราก็นำมาพูดตามลำดับของที่พระอริยะบุคคลถนละได้เพราะว่า สังโยชน์มีสองในนะในแนวของพิธามเนี่ยมันก็เรียงอีกระดับหนึ่งอีกแนวหนึ่งแต่ว่าแนวที่เรียงประสูตรเนี่ยมันก็เรียงอีกแนวหนึ่งแต่ว่าที่จริงแล้วก็ก็ไม่ค่อยแปลกอะไรอะ่ะก็คือโลกกดหลงนั่นเองเพียงแต่ว่ามันถูกใจสัตว์เอาไว้ค็อยู่ข้างในมันก็มีหนึ่งก็คือสักยะทิฏฐิ คือความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนวิจิกิจฉาความเครือบแคลงสงสัยอิรพัตปรามาสการถือมั่นโดยศีลวัดโดยการปฏิบัติที่ปักใจฝังใจคุ้นเคยเค ย, เคยชินกันมาแล้วก็การมราคะจิตเอกำหนัดในวัตถุกรรมนะฮะโดยอํานาจของกิเลสแล้วก็ปฏิฆะคือความไม่พอใจความหงุดหงิดความรําคาญรูปราคะถ้าเรียงอย่างนี้ก็ถือว่ากำหนัดในรูปฌานะ รูปราคะก็คือติดในรูปฌานแต่ถ้าในที่อื่นนะฮะถ้าถ้าเลี้ยงเดี่ยวมาก็ก็ก็หมายถึงทั้งหมดคือรูปก็หมายถึงสิ่งที่เป็นรูปถปูกทั้งหมดแล้วก็หมายถึงรูปฌานด้วยนะแล้วก็ต่อไปก็เป็นมานะคือความถือตัวอุทาจจะคือฟุ้งซ่านแล้วก็อวิชชาแต่พวกนี้เป็นเหตุนำไปสู่ภพเราเห็นว่าทุกข้อเนี่ยนไปสู่ภพ แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคืออวิชชานะอาวิชชาเหมือนก็นยอดแห่งเรือนเรือนยอดของเรือนนะเป็นที่รวมของกิเลสทั้งหลายก็แต่กิ่งก้านสาขามาจากอาวิชชาเนี่แหละเพราะนั้นก็สังโยชน์ก็เรียกว่ามีสังโยชน์ในพบสิ้นรอบแล้วคือหมดสิ้นดยประการทั้งปวงหลุดพ้นแล้วถามมาหลุดพ้นแล้วจากอะไรหลุดพ้นแล้วจาก ชื่อกิเลสต่างๆเรียกชื่อยังไงก็ได้ทั้งกิเลส ท, ทั้งทุกนะฮะคือคาว่าหลุดพ้นเนี่ยหมายความว่าหลุดพ้นจากกิเลสแต่ว่าถ้าพูดง่ายๆเนี่ยกิเลสและความทุกตามปกติจะพูดว่าหลุดพ้นทุกถ้าครามลองสังเกตนะะลองสังเกตว่าทุกคนีโโ้โลโธแปลความดับทุก ความจริงคือความดับทุกข์ก็เรียกจริงจเรียกจริงจริงนะความจริงความดับทุกข์แต่จริงไม่ดับทุกข์เลยดับกิเลสเมื่อกิเลสมันดับทุกข์มันก็ดับเพราะทุกข์มันเป็นผลของกิเลสแต่ถ้าพูดว่าดับกิเลสเนี่ยมันสื่อสารยากมากเลติดต่อกันไม่ได้เพราะงั้นก็ดับทุกข์ดีกว่ามันเหมือ น, นเราโยนอิฐร้อนๆลงไปในน้ํำน่ะโดยเชนว่าความร้อนที่ดับไปกับความเย็นที่เกิดขึ้นแทนเนี่ย มันต่อเนื่องกันแต่แท้จริงแล้วความร้อนต้องดับไปก่อนความเย็นจึงจะเกิดขึ้นเพราะจิตใจของพระอาหารหันต์ทั้งหลายก็มีลักษณะอย่างนั้นทีนี้เหตุที่ทำให้ท่านหลุดพ้นเนี่ยท่านบอกว่าเพราะรู้โดยชอบพระบุญราตข้อนี้ถ้าเราไปนึกถึงในธรรมจั ก, กรวัตนสูตร เราก็จะเห็นคําหลายๆคำํำเช่นจะขุกรณีญาณกรณีสัมบูทายะอภิญญายะสัมบูทายะเนี่ยก็หมายถึงรู้ด้วยกันแต่ในที่นี้หมายถึงสัมมาญาณนะคือความรู้ในทางที่ชอบเป็นผลรวมของอริยมรรคเีงแปดประการคืออริยมรรคเบีงแปดประการผนึก เป็นเนื้อเดียวกันคือเรียกว่าตกผลึกอ่ะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ยานก็จะเกิดผุดขึ้นตรงนั้นเน่เราเรียกว่าสัมมาญาณนะคือความรู้ในทางที่ชอบเป็นมรรคจริงๆนะฮะตัวมรรคจริงๆเนี่ยคือสัมมาญาณนะตรงนั้นเป็นองค์เป็นองค์ประกอบเพราะจากนั้นจิตก็จะหลุดพ้นหลุดพ้นเราก็เรียกว่าสัมมาวิมุต แ, แสดงเห็นว่าพ้นสมบูรณ์เหล่านี้ภาษาที่ใช้สื่อเนี่ยอาจจะยิ่งย่อนแตกต่างกันออกไปอย่างที่เคยพบคุณในลักษณะของพระอระหันต์ที่ทรงยาแนกแสดงในที่อื่นก็ยักยจ า, ายเปลี่ยนแปลงไปตามพื้นฐานของผู้ฟังที่จะเข้าใจแต่ทั้งหมดก็คือการสะท้อนให้เห็นถึงปัญญาความบริสุทธ ความกรุณาภายในจิตของท่านแน่นอนนั่นคือผลที่สมบูรณ์แต่อย่าลืมว่าธรรมะปฏิบัติเหล่านี้ในแต่ละระดับเนี่ยสามัญชนทั่วไปก็สามารถสัมผัสได้ระดับหนึ่งเพราะอะไรเพราะอาการเป็นอาการรวมของศีลสมาธิปัญญาที่สมบูรณ์ อาการเหล่านี้เราเห็นว่าระดับศีลมันก็ปรากฏได้ระดับหนึ่งระดับธรรมะก็ปรากฏได้ระดับหนึ่งระดับสมาธิก็ปรากฏได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าสมบูรณ์ก็จะออกมาในลักษณะอย่างนี้มันก็เป็นเหตุผลที่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ภายในใจของพระอรหันต์ทั้งหลายนั่นเองข้อที่ไม่ควรลืมก็คือว่า ผลรวมของอะเรมักเบืองแปดประการหรือผลรวมว่าไตสีขาเนี่ยผลระดับที่ลดหลั่นลงมามันก็เป็นวิถีชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยพูดง่ายว่าเป็นวิถีชีวิตของคนดีระดับศีลธรรมจัญญาซึ่งอย่างน้อยเนี่ยคนเราเกิดมาชาติเนี่ยควรจะสัมผัสระดับศีลธรรมจัญญาให้ได้ถ้าวากว่าแม้ระดับศีลธรรมจัญญาก็สัมผัสไม่ได้ มันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายในโอกาสที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมาพบพระพุทธศาสนาแต่ว่าไม่รับผลประโยชน์ตามที่ควรจะประพฤติปฏิบัติได้ั้งเพ่งเท่าไหร่เสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขออุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอก ง, งามไพบูรณ์ในธรรม จึงมีแตะท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี